ขึ้นมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าความรู้ความฉลาดความสามารถสติปัญญาอยู่ในโลกเนี่ยมีมากมายมีมากหลากหลายในแนวความคิดพระพุทธเจ้าท่านเด็จไปประทับอยู่ที่ขอบสระในป่าแห่งหนึ่ง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 แล้วก็ทําให้จิตใจพ้นจากทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละเราจะสอนเพียงใบไม้ในกํา ม, มือแต่สิ่งที่เรารู้มีมากมายวิเชวิช า, ชาธรรมศาสตร์อาวุธวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมาย เ, ออเรื่องต่างๆเรารู้ทั้งหมดเพราะเราเป็นสยามภูรู้หมดแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์นั้น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 วิธีการทำนาทํ า, อ ย, าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จากนั้นก็ขายข้าวก็ได้เงินเลี้ยงครอบครัวสบายไม่มีอะไรคนหนึ่งแต่คนหนึ่งบอกไปถามเกียรตยางต้องปลูกยางปลูก ย, า ง, ย, า, งยางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกียรยางขายได้เงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินสบายไปถามคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บ่าขายของชําขายน้ำมันทำราชการ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 ของเราบังคับให้อยู่กับกรรมฐานเจ็ดใจอยู่เทนี่อพออยู่กับกรรมฐานเท่านั้นแหละโอ้มันมีความสุขจริงเราบอกกับเราได้เลยว่าตั้งแต่บัรนี้ต่อไปใจของเราจะไม่เสื่อมเราจะไม่หลุดออกจากกรรมฐานอีกเราจะอยู่กับนี่แหละหายใจเข้าพุทธไห้ใจออกโทมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี้ตั้งแต่บันนั้นมาเราก็ได้หลักนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อกรรมฐาน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 หายใจออกนับ2นับ3นับ4นับ5หายใจเข้านับหนึ่หายใจออกนับ2อหายใจออกนับ3นับ4ี่นับห้าไปถึงร้อแล้วกลับมานับ1ใหม่ถึงร้อยแล้วทำไมเผล่นะถ้ามันเผลอแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ทําไมให้นับนับหนึ่สองนคือหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้หายใจออกมันเป็นเลขคู่1 2 3่งสองามี่ห้าหกดแ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 อัปปนาสมาธิฮะ yeah. อัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเสียงรถเสียงราเสียงผู่เสียงคนเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมดเนี Nej, เหมือนกับใจของเราอยู่นิ่งเป็นเอกเทศคือใจจิตของเราใจของเราไม่ได้มาออกมาสัมผัสทางตาทางหู ท, ทางจมูกทางกายเลยอ่เป็นเอกเทศใจเป็นอยู่เป็นเอกเทศใจสงบที่เป็นอัปปนาสมาธินิ่ง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 พิจารณาตามหลักธทรรำคําสอนที่ท่านบอกว่าพิจารณาสติปัฏฐาน4ก็กายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณากายเกสาโลมานขาทันตาตาโจรหรือพิจารณาอาการ32มสิอผมขนเล็ดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปวดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ก็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 เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่างนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญในตัวของเราเีว่าปฏิรูประเทสวาโซจัปุกเพจากตะปุญญตาพวกเราคงจะได้ทาบุญไว้ในอดีตในอดีตแต่ชาติที่ผ่านมาเราเมื่อทาบุญเสร็จแล้วก็ขอเออผู้ค่าเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ขอให้ได้พบพบพุทธศาสนาให้ได้บาเพ็ญทานศีลภาวนา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 การที่ผมเข้าใจก็คือว่าให้ปฏิบัติคนใจหมดหนึ่งกระจายควาที่จิตรู้ขนาดนั้นใช่ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่แรกเลยหรือว่ายังไงครับเริ่มตั้งแต่กายยันรูปศาสนาผมยัคงที่ผมส่บัติเวรคณาหรือปัศนาดูแบบเจ็บปวดอย่างเงี้ยหรือดูจจตคานหรือปัสนาอย่างนี้เลยจลับกันไปกันมาการที่จิตรู้นั้นขณะนั้นอย่างเง้ยผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ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 อถึงเราจะไม่นั่งภาวนามันก็เกิดได้ใช่ไหมละ่ะเราจะว่าใช้กรรมก็ใช่กรรมที่เราเกิดมามก็ต้องได้ใช้กรรมนล่นแหละกรรมคือการกระทําของเราถ้าเราไม่เกิดมาเนะี่ยทำพ้นทุกในิัตานสงสารไม่เกิดมาเราก็ไม่ต้องใช้กรรมใช่ไหมละ่ะอันนี้พอเราใช้กรรมเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละเราเกิดมาแล้วอมันก็ต้องได้ใช้เวทนาแต่บางคนก็บอกว่า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 เออเนี่แหละเราก็ต้องสู้สู้ซะก่อนนะอย่าไปถอยง่ายๆนะถ้าถอยง่ายไม่ใช่ลุกสิกกทธิ์พระพุทธเจ้าอย่างพระพทุทธเจา้าท่านบอกว่าเราจะนั่งสมาธิถึงร่างกายของเราจะเหงื่อแห้งไปด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากอาชนะที่นีนะ่ขนาดนั้นรพระพทุทธเจ้าตั้งสัจจะเนพะราะนั้นพวกเรา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 เอพราะนั้นแหะคือคือคื อ, คอพ่ะวินัยของพระสงฆ์อย่วินัยก็คือเหมือนกฎหมายนะมันไม่แพ้กั น, น่ะถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วนะแต่ตามไม่จริงที่เราถามเลกับค้งบวชไม่ได้แล้วลักษณะนั้นนะ่ะออปกไม่จริงเ อ, อ, พ, อพราะพุทธเจ้ามันวินัยมาแต่กระ<ล>ที่แหลกแล้วผมขอถามว่ากิเลสเกิดจากอะไรครับอะไรก่อถ้พ่อไม่ได้ยินชัดพูดอีก